الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل لا م ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي, لي صدري و ي س ر لي أمري و ح ل ا ل أ ق د ة م من لساني يفقه قولي اللهم ع ل م ن ا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Allah ์ ن ف ع ن ا بما علمتنا و ع ل م ن ا ما ينفعنا و ز د ن ا علما ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رصدا <ت ص في ق> ุล ح م ล لله ชูกรต่อ a l ทีเราได้กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์วันนี้น่าจะเป็นวันแรกตามปฏิทินก็เป็นวันแรกของเดือนใหม่แล้วอุมาเดอัลอาคราะเวเวลาอีกเกียวันครับเราจะได้ต้อนรับเดือนระมดอนนี่เรามมวแต่ยุ่งอยู่กับโควิด จนลืมนับวันนับเวลาจุมาดสถานียาหรือจุมาเดลอัคย์รอรอจับชั้บบานก่อมอัมดอนแล้วประมาณประมา ณ, ณก็นับว่าประมาณข้าวสิบวันก็สามเดือนขออุดหนานะครับให้เราได้มีชีวิตอยู่จนถึงอรรัมดอนปีนี้ซึ่งคิดว่าคงไม่เหมือนอรรัมดอนปีที่แล้วเนาะอัรรมดอนปีที่แล้วเรา อไม่ได้มีกิจกรรม Outdoor หรือนอ ก, นอกบ้านะต้องเป็นอิม่ัมกันในบ้านกันเองนะ บ, เบางคนก็เข็ดนะเป็นอิมัมตระแวะในบ้านเองปีนี้หวังว่าคงไม่ต้องเป็นอิมัมตระแวะเองนะได้มาละมารถตระแวะที่สุเราวช่วยกันนะครับขอดูอาต่อล l l a h สุบหาหาวะตาลาให้สถานการณ์การระบากของโควิด ได้หมดไปจากเราหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทุนเราให้เราได้มีกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพราะว่าช่วงเดือนระมดอนเป็นช่วงเดือนที่มีความพิเศษมากจริงๆนะครับสําหรับเราอามัลอิบาดัตต่างๆส่วนใหญ่แล้วเราจะมีกําลังใจที่จะทําอามัลอิบาดัตมากพอถึงเดือนระมดอนนะครับช่วยกันขอโดยอันะครับช่วยกัน ร, รักษามาตรการต่างๆให้ดีทีจ่จะได้รักษาสภาพ ของออสภาพแวดล้อมสภาพอันใช้ชีวิตของเรานะครับให้ไม่ต้องโดน อ, ะ, อะไรนะล็อกดาวน์นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่มีโอกาสที่จะไปทำความดีให้มากๆในช่วงเดือนที่พิเศษอย่างรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละอ่ะมาวันนี้สุราตลฟัตยังคงอยู่ในสุราตลฟัตเนี่ยเรา น่าจะมีอีกสัก2สาตอนเพราะว่าอายัดบางอายัดมันยาวและมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับที่อธิบายต้องอธิบายเป็นเป็นิลซิล่ะเป็นซีรีส์ไปนะครับอธิบายไปก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้เพื่อให้มันมีความเป็นเาเรียกว่าอะไรนะต่อเนื่องนะครับวันนี้อายัดที่ จริงๆแล้วมันควรจะจบไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับกลุ่มอายัดนี้แต่ว่าเราไม่ทันตั้งแต่อายัดที่ย2สิบสองเป็นต้นไปสิบปดสิบเก้ายี่สิบิบอยี่บองยบายิบสี่เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกันที่เราควรจะต้องอ่านให้จบทีเดียวแต่ว่ามันยาวมากนะครับก็เลยต้องแบ่งวันนี้เริ่มที่ยี่สิบสอง อา و ูบิลลาห์มินอิชชัยตานอัลรจิม ولو قانت لعكم الذين كفروا و الذ ل و ؤ ل ؤ الدبار สََ่ ل ์ไ ا َ่ะَูนว ن َญาณและนั่งَิร่าสَนต์อัลลอِ์ทีَ่ัَขَ้ว م ِ قَ นกับ الله و وَ ละَจ้าจะไม่พบสุนน ل ์َองอัลลอฮ์มาแทนَละเป็นผู้ที่ขัดขวางพวกเขาจากพวก ك ่ م ْ وأيديكم َ وأ عنهم ب ب َ ط ن مكة من بعد أن َ أ ْ ف ر ك م عليهم وكان َََ الله َُّ بما َِ تعملون َََُْ بصيرا ًَِคำดูลิล ه ะเอาถึงตรงนี้ก่อนถ้ามีเวลาต่อได้เราก็ต่อนะครับเราอ่านถึงอายะที่14นะครับอายะต์เหล่านี้เป็นอายะต์ต่อเนื่องจาก 1ิบ9ที่ผ่านมาที่กำลังพูดถึงเหตุการณ์หลังจากที่ท่านนาบีสุลตลฮะอัลฮิวะสัลลัมทำการสัตยาบันกับบรรดาสหฮาบะที่อุดายเบียใต้ต้นไม้นะครับลอแตะละก็ประกาศชื่นชมบรรดาสหฮาบะเหล่านั้นพี่น้องครับเราเคยคิดไหมว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย ในอัลกุรอานทำไมต้องระบุเรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้เรียนด้วยเรื่องราวของการให้สตยาบันของท่านนาบีกับบรรดาสัฮาบะที่อุดบียะเนี่ยเราเอาอะไรมาใช้ประโยชน์กับเราได้บ้างอ่ะเราเรียนเรื่องราวพวกนี้พี่น้องคิดว่าอย่างไงเพราะปกติเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานเราบอกว่าให้พยายามถอดบทเรียนใช่ไหมครับทีนี้เรามารู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้บทเรียนอะไรผมว่าอย่างน้อยที่สุด การที่เราเรียนเรื่องราวพวกนี้พูดถึง เ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราเอามาเปรียบเทียบสภาพของบรรดาซาฮบะในอดีตกับสภาพของเราว่าเป็นยังไงบททดสอบของบรรดาบรรพบรุษอิสลามบรรดากัลยาณชนบรรดาคนที่ต่อสู้เคียงข้าง ท่านน บ, บีสุลต่าละฮะอะลัยฮุสัลลัาาลมเอามาเปรียบเทียบกับพวกเราแล้วรู้สึกยังไงสุหานอัลลอฮ์ลองจินตนาการดูบรรดาสัฮาบะฮ์ตอนที่จะไปทำอมรอกเนี่ยเขาใส่ชุดเอฮรอมาจากมาดีนานะครับไม่ได้ใส่ชุดเอฮรอบนเครื่องบินเหมือนพวกเรานะเขาใส่ชุดเอฮรอมาจากมาดีนาออกมาตั้งแต่เดือนช้าวานันมาถึงอุไดบิยานี่สุลกัดดะกีวนัน แล้วอยู่ที่ฮูดายเบียนี่20กว่าวันโดยประมาณในสภาพที่ไอหรอมยังอยู่กับตัวเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้าไปถึงกาบะยังไม่เข้าไปตาวะยังไม่เข้าไปอมรอมให้เสร็จนี่ยังต้องอยู่ในชุดไอ้รอมอยู่ใครที่ไปมากหนนี่รู้ดีแล้วอยู่20วันที่ฮูดายเบียนี่ไม่มีโรงแรมนะครับขอโทษอยู่ที่ไหนอยู่กลางทะเลทราย การผ้าทำเป็นเต็นท์อยู่ภายใต้แสงแดดพวกเราอย่าว่าแต่อยอยู่ใต้แสงแดดอยู่ในโรงแรมเนี่ยแค่กักตัว14วันเราก็ยังอยู่ไม่ไหวละกักตัวกักตัวกักตัวโควิด14วันนะบางทีบางคนอาจจะเป็นจะตายาต้องถามคนที่เคยกักตัวสุภาพาะัลลอฮอันนี้ยี่สิบวันนะเกือบเกือบเท่ายี่สี่วันอนยะี่สิบแปดวันใช่บางคนก็ย8บแดวัน กักตัวของเรา28วัน14วันเอามีมีพร้อมทุกอย่างมีแอร์ให้มีห้องน้ําให้มีอะไรหมดนี่20กว่าวันต้องอยู่ท่ามกลางทนเลทายแล้วระหว่างนั้นมีการพูดคุยมีมีบททดสอบ ม, มาจากพวกกุเรชยอยู่ตลอดเวลามีพวกกอเรชบางคนนะบางเรื่องบอกว่าเนี่ยวันนี้ที่เราจะได้เรียนกันเนี่ย20คนหรือบางเรื่องบอกว่าถึง70คนออกมาออกมารอบโจมตีในขณะที่บรรดามุสลิม พักตัวอยู่ที่อูดัยเบียเพราะฉะนั้นวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยอัลลอหอักบาร์วใจรู้สึกยังไงบรรดาสฮาบะยิ่งตอนที่ท่านนาบีสุลต่สัลลัมส่งอุษมานเข้าไปในมักกะให้เข้าไปเจราจาตอนแรกคิดว่าจะเข้าไปแค่วันเดียวเข้าไปตอนเช้าเจราจาเสร็จตอนเย็นก็จะได้ออกมาบอกข่าวว่าถ้ากลับก็คือกลับถ้าเข้าก็คือเข้า ปรากฏว่าอุสมานเข้าไปวันแรกมันยังไงหายไม่ออกมาโอเคพอเข้าใจว่าเออวันแรกอาจจะยังหลายหลายคนต้องไปเข้าเจอกับหัวหน้าคนนั่นคนนี้หลายบ้านหลายวันที่สองรอว่าอุสมานจะออกไหมไม่ออกยังไม่ออกมาเฮ้ยมันผิดวิสัยวันที่สามไม่ออกมายังไม่ออกมาอีกวันที่สมเนี่ยบรรดา รู้สึกยังไงล้วรู้สึกจะเข้าไปตามก็ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าคนเดียวเท่านั้นที่ที่เข้าไปได้แล้วเลือกอุสมานไปนี่เพราะว่าอุสมานเนี่ยเป็นคนที่พวกโปรเรชเนี่ยรักตั้งแต่ยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยคนคืออุสมานเป็นคนนุ่มเป็นคนยือกเย็นเป็นคนที่ไม่หัวร้องถ้าส่งอุมารไปนี่ <laughs> อุมารไปนี่เสร็จ อุสมานเนี่ยเป็นคนที่สุ ข, ขุมเยือกเย็นแล้วก็มีพรรคพวกเยอะในมักกะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมคนอาหรับเนี่ยอ่าใครอยู่ตระกูลไหนเนี่ยแม้ว่าจะคนและศาสนากันหรืออะไรแต่เขาจะปกป้องอุสมา น, นี่พวกเยอะเลยมักกะก็เลยอุสมานเข้าไปเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ออกมาอีกสามวันมันไม่ใช่เรื่องแล้วเนี่ยสาวันเนี่ยความกลัวเริ่มเกิดความกังวลเริ่มเกิดแล้วอยู่มาถึง20กว่าวันแล้ว ลองนึกดูซิว่าจะรู้สึกยังงต้องลองเข้าใจต้องเข้าใจภาพนั่นนะแล้วเราเอาภาพเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับพวกเราวพาสภาพของเราเวลาที่เราต้องต่อสู้เวลาที่เราต้องอดทนกับบางเรื่องบางอย่างที่เป็นบททดสอบที่รัฐลาณาส่งมาให้เราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยอะอยต้องเรียนเรื่องเพื่อเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะสู้ เชิดชูศาสนาของลอสเวลต์แต่ลาต่อไปเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเรียนเรื่องพวกนี้บางทีดูเผินๆ เ, เ, เหมือนกับจะไม่มีอะไรที่ให้เราไปใช้ในชีวิตจริงแต่จริงๆแล้วมันสอนเรายิ่งกว่ายิ่งกว่าสิ่งที่เราทําออกมาซะอีกมันสอนใจเรามันทําให้ใจของเรามั่นคงรักศาสนานี้รักบรรดาคนที่นําศาสนานี้มาให้กับเราในบรรดาสัฮาบะในบรรดาคนที่ เป็นผู้สืบทอดทายาตของท่านนาบีสลุลต่านละนะครับมาดูอายัดนี้ท่อัลละตอลลาบอกว่าอายัตที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยพูดถึงสภาพของบรรดาคนมุชริกีนคนกาเฟตเนี่ยละตอลลาว่าอย่างไร ولو قاتلكم الذين كفروا لولا ا ل أ د ب ا าถ้าสมมติว่าในสุลฮุลฮุดัยเบียะเนี่ยเกิดสงครามจริงๆ ถ้ามันเกิดสงครามจริงๆสัญญาไอ้ทำสนธิสัญญาไม่สำเร็จหรือสัตยาบาลแล้วว่าจะอุสมานโดนฆ่าจะเข้าไปสู้รบเอาอุสมานออกมาเนี่ยถ้าสมมุติเกิดการประทะกันจริงๆเนี่ยอัลลอมฺุบไบรตอลาบอกว่าลาวัล อ, อัคนเหล่านี้จะไม่สู้พวกเจ้าหรอกที่ออกที่ส่งตัวแทนออกมาถึงสามสี่คนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม โคเรชไม่สู้นะกคเรชไม่กล้าี่จะสู้ส่งตัวแทนมาเจราจาส่งคนมาลอบทํำร้ายเพราะจริงๆแล้วกุเรชมีความกลัวอยู่พระสานตะก็เลยบอกว่าพวกเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้สู้กับกุเรชต้องลาถอยไม่ใช้ใชคําว่าลาถอยไม่ได้ใช้คําว่าอะไรต้องยอมทําตามสัญญาที่ทํากับพวกโคเรชทีลวกลับไปมาดีนะเนี่ยอย่ารู้สึกว่าพวกเจ้าแพ้จริงๆแล้วเจ้าไม่ได้แพ้ รัตตะลาให้เหตุผลอีกหลายเรื่องให้มะกอนีให้ทรัพย์เฉลย ER, ให้การเปิดใครบัตรให้ต่างๆในนัหลังจากนั้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกว่าแพ้และถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดสงครามจริงๆพวกเจ้าไม่แพ้หรอกพราะพวกโ ก, กรชเป็นพวกที่กลัวแล้ววันเล่าอัดบารกคนพวกนี้จะหนีสมมาลายาจีดูนะวลียันวาลาซีระแล้วพวกเขาก็จะไม่มีคนที่คอยช่วย นะครับไม่มีใครที่จะช่วยพวกเขาเหล่านั้นได้สุนนตัลลอฮฺอัลลอตีกัตฮฺลาตมิลกอบนี่แหละคือสุนนตุลลอฮฺอ่านี้เราเคยได้ยินบ่อยคําว่าสุนตลลสนตุลลอฮฺสุนนตุลลอฮฺเอามาจากอายันี้ได้สุนนตุลลอฮฺหมายถึงอัลลอฮฺกําหนดมาอย่างนี้เป็นแบบนี้เป็นแนวทางนะเป็นวิถีที่อัลลอฮฺกําหนดมักลูของพระองค์มากระดาบเก้านี้ ก็ Allah سبحانه ต ت ع ا ل ى เป็นาุนตุลลอฮ์นะครับ แต่อย่างใดอัลลอฮฺตะลาบอกว่าพระองค์จะไม่ช่วยคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่ายุคไหนๆอัลลอฮฺตะลาก็จะไม่ช่วยแต่ขณะที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะช่วยบรรดามุลหมินผู้ศรัทธาเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ให้มั่นใจเอาไว้วันนี้คือซึ่งนับุลลาะที่อัลลอฮฺตะลาจะช่วยบรรดาผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆไม่ใช่เฉพาะยุคของท่านนบีแม้แต่ทั่งยุคหลังจากท่านนบีสละสลามยุคของพวกเราถ้าเราเป็นคนที่ช่วยอัลลอฮฺตะลาจริงๆ สุนัตลองพระองค์จะช่วยบรรดาผู้ศรัทธาว้ห์วัลล์ดีกัฟส์อัยดิย์ฮุมอังคุมโว้อัยดิย์คุมอันหุมบิบัตนมักกะพระองค์ล l l a h سبحانه และ تعالى ส่งยั้งมือพวกเขาไม่ให้ปะทะกับพวกเจ้าและส่งยั้งมือพวกเจ้าไม่ให้ปะทะกับพวกเขาที่บัตนิมักกะ บอสตงใมักกะเนี่ยหมายถึงหุบเขาหนึ่งหรือสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองมักกะในเขตดินแดนมักกะทรงยั่งมือเหตุการณ์มันว่าอย่างไงเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นยังไงครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าอะไรคือเหตุผลที่อัลลอฮฺสุบัยน์อัลจาลาไม่ให้เกิดการปะทะกันแม้ว่า จะมีความพยายามจากบรรดาพวกโกรชบางคนบางกลุ่มที่มาลอบทำร้ายหรือมาลอบโจมตีในขณะที่ท่านนาบีกับบรรดาสหาา พ, พักอยู่ที่อุดายบียเนี่ยมีออกมาสองสามกลุ่มออกมาลอบทำร้ายมีรายงานในฮะดิษนะครับฮะดิษที่รายงานจาก อ, อ, ลอาลีบินอบดุลอลบ จริงๆแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมีรายงานที่แตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่า5ัะตินานุมีนอัลลอฮ์อาลัยบาดิอีลมุเอมินีพีนักฟะอดีลมุชริกีน่างั้นผมฟะเลมยิซล์อิเลห์มินห์มินห์สูวักฟะอดีลมุเอมินีนอางั้นมุชริกีนฟะเลมยุควัติลุมยุควัติลูหมันลมาสิดิลฮารามบัลสานะคุลลมินัลฟรัยนีวาัรมิ์มินุลฮนร ว تقدم ف ي حديث سلمة بن الأقوى حديث ของ سلمة بن الأقوى رضي الله عنه حين ج ا ء ا بأولئك السبعين ا ل أ س ر ا فأوقفوهم فأوقفوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم จากของ سلمة ا ب الأقوى عن ا ل و ي ق ع พวกที่ออกมารอบโจมตี ท่านน บ, บีสลลุสลต่านละมเนี่ยมีจำนวนถึงเจ็ดสิบคนออกมาลอบมาคว้างหินมายิงธนูเนี่ยเจ็ดสิบคนถูกจับได้เป็นเฉลยอ่ายังเจราจาไม่สำเร็จนะยังไม่ได้เจราจายังไม่ได้ทำสัญญาอะไรทั้งสิ้นแต่พวกนี้ ก, ออก็ออกมาลอบทำร้าย น, นะท่านน บ, บีกับบรรดาสาวบ้จับเจ็ดสิบคนนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยจะเอาเจ็ดสิบคนเนี่ยไปไปใช้ เป็นเครื่องมือต่อรองถามว่าทมได้ไหมหรือจะฆ่าตรงนั้นเลยได้ไหมลองคิดดูว่าถ้าฆ่าตรงนั้นเลยจะเกิดอะไรขึ้นอุรเสก็จะออกมาไอ้นี่ฝั่งนี้ก็จะต้องเกิดการทะเลาะกันแต่ท่านนาบีไม่ได้ฆ่าคนเหล่านั้นทั้งเจ็ดสิบคนและก็ไม่ได้เอาไปเป็นเชลยด้วยแต่ท่านนาบีบอกว่าอารซิลู ปล่อยกลับไปปล่อยกลับไปทั้งเจ็นสิบคนอ๋อว่าแบบในอีกรายงานหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าพวกมุสลิกีลอบทำร้ายท่านนาบีเนี่ยเกิดในระหว่างที่ท่านกำลังทำสัญญาอยู่ระหว่างที่เจราจาจะเขียนสัญญากันอยู่เนี่ยฝั่งนู้นมีพวกน่าจะเป็นพวกประมาณว่าพวก เกเรหน่อยนะไม่ฟังไม่อะไรยังไม่มีมารยาทไม่มีจัญญาปานอะไรอาจจะเป็นพวกที่แบบวัยรุ่นอะไรหน่อยนะนะออกมาก่อกวนการทำสัญญาแล้วก็ถูกจับได้อ่าก็ปล่อยไปนี่คือความหมายในอายัดนี้ที่อัลละฮฺตะลาบอกว่าพระองค์ยั้งมือพวกมุสริกีนไม่ให้เกิดสงครามมาปะทะกับมุสลิมินแล้วก็ยั้งมือพวกเจ้า โอบรรดามุสลิมไม่ให้เกิดการประทะกันการยั้งมือแบบนี้เป็นผลดีเพราะสุดท้ายการเจราจาก็เกิดขึ้นสุดท้ายผลประโยชน์ที่ได้มาจากการเจราจาเนี่ยมันเยอะกว่าการประทะตะลุมบอนกันระหว่างมุชริกีนกับบรรดาสัฮาบะในในเวลานั้นนะมิมแบลิอันอัซรักุมอะลเลหิมหลังจากที่ a ลทให้พวกเจ้าสามารถยึดหรือกุมจับตัวคนเหล่านั้นได้แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้พวกเจ้าเนี่ยฆ่าคนเหล่านี้หรือเอาคนเหล่านี้ไปเป็นตัวประกันแต่อย่างใดว่าการ Allahu bima ta'malu nabasirAllah จัลัลทรงเห็นทุกอย่างที่พวกเจ้ากระทำา l l a h u akbar ว่านั้น มาดูกันเราต้องอ่านอายะห์ต่อไปแล้วนะครับต้องอ่านอายะห์ต่อไปเพราะว่าเรื่องเรามันเกี่ยวข้องกันนะครับอายะห์ที่สิบห้าเลาะ่านอรครับว่าอย่างไรฮุมุลลัตีนกาฟารูวะซับดุคุมะนิลมัสติดีฮารามวะลัดยมักูฟันอันย์บลุกมะฮิลลวะโหลลาริจาลมุมินุนวะนิซ่มุเมินาตลัมเอลมฮุมอันตัวหุมฟะตุซิบคุมมินุม มั่งเร่ตุม์ بغ ่ายร์อิกลม์ ل ีดัชลัลลอฮฺฟีร่ำมัตีห์มียาชาลูท ن ซียลูล่าอัลจับน์ ي ั้ลล์ดีนักฟรูินห์ม์อัลจั์นั้ลีมาอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺาัลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺออฮฺอัลลอฮฺอัลัลล คนเหล่านี้ฮุมุลละดีน่าฟารูพวกเขาคือผู้ที่ปฏิเสธรัทธาว่าศัตดูคุมอนิลมัสย i d ิลฮารอมแล้ยังขัดขวารไม่ให้พวกเจ้าเข้าไปในมัส jid ิลฮารามคือนับตั้งแต่อดีตเนี่ยมันมีกฎที่คนอาหรับเป็นที่ยอมรับกันว่าใครที่อยากจะเข้าไปในมักกะต้องได้เข้า ต้องได้เข้าเพราะว่าใบตุ ล, ลาเนี่ยเป็นที่ที่คนจะมาทำอิบาดะฮ์แล้วแต่ถ้าใครจะมาแม้กระทั่งว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดไปก่ออาชญากรรมที่ไหนมาแต่ถ้าเขาอยากจะมาขออาศัยมักกะเป็นที่หลบภัยยัยงไงก็ต้องได้เข้าแล้วทำไมพวกมุสลินจึงขัดขวาง รอสุล ullah ซลละฮะศาลลัมกับบรนดาชาวมาดีนะบรรดาซาบาที่จะมาทําอุมราะไม่ได้หนีใครมาไม่ได้ทําอะไรมาทําไมที่คนเหล่านี้ถึงปิดกั้นไม่ให้ท่านศาลเข้าไปอ่านักวิชาการอธิบายว่าเพราะพวกมุชริกีนพวกนี้กลัวเสียหน้ากลัวเสียหน้าไม่เสียหน้าไนดะ้ยังไงก่อนหน้านี้ทําสงครามมาหลายมาหลายครั้ง จะเป็นสงครามบาดาร์สงครามอูฮุดสงครามอัฮซับหลายต่อหลายครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะส่วนใหญ่ก็มุสลิมนั่แหละที่ชนะนะครับยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่จบสิ้นนะ่ะการต่อสู้กันเนี่ยแต่อยู่ๆท่านน บ, บีสั่งลมบอกว่าอยากจะมาทําอมระองตั้งตัวไม่ทันถ้าสมมุติว่าปล่อยให้ท่านน บ, บีเข้าไปเนี่ยเหมือนยอมรับสภาพว่าตัวเองเอะ รับไม่ได้รับไม่ได้ศัตรูจะเข้ามาในมักกะโดยที่เรานี่นั่งดูอยู่อย่างนี้โอ้รับไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นไม่ให้เข้ามาเสียหน้ทาทางทั้งที่ตั้งแต่อดีตมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ห้ามใครที่อยากจะเข้ามาในมักกะแล้วไม่ให้เข้ามาแล้วไม่ได้มาเมือเปล่าไหมว่า พาแพ้พาอูดพาแกะมาพร้อมหลักฐานประกอบพร้อมว่าไม่ได้มาต้องการแต่จะทำสงครามแต่ยังได้ยังไม่ยอมไม่เข้าไปจนกระทั่งหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งในจำนวนตัวแทนที่พวกมุสลิมส่งมาเจราจากับท่านนาบีเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรละจาชื่อไม่ได้คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นธรรมมากาเป็นคนที่ เ, เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาพอท่านนาบีเห็นคนนี้เดินมาแต่ไกลว่าอ๋อคนนี้จะมาเจรจารเนี่ยท่านนาบีสั่งให้บรรดาสัฮาบะเนี่ยเอาอูดเอาแกะเอาแพะเนี่ยไปตั้งข้างหน้าเลยเพื่อให้ให้ตัวแทนคนนี้เห็นว่าเนี่ยทั้งอูดทั้งวัวทั้งแกะเนี่ยมาพร้อมที่จะมาทําอมร้อนนะไม่ได้มาทําอะไรทั้งสิ้น แล้วคนนี้ก็มาก็มาเห็นจริงๆมาเห็นว่าเอา้าไม่ได้มาทําสงกรานนี่มีทั้งอูดมีทั้งอุแล้วบรรดาซาบะเขายังอยู่ในชุดแอบรอมด้วยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไอ้พวกมักกะนี่มันมันอะไรเขาเรียกมั น, มนไม่มันเหลวมากอะ่ะที่ไม่ยอมให้เข้าไปเนี่ยจต้องให้เข้าไปยังไงยังไงก็ต้องเข้าไปก็เลยกลับไปที่มักกะแล้วก็ไปประกาศว่ายังไงยังไงมูฮัมหมัดก็ต้องได้เข้ามาอันนี้ก่อนเจราจานะ อันนี้หมายถึงว่าตัวแทน 3-4 มสี่คนก่อนหน้าที่จะมีการเจราจาที่ไปเจอกับท่านนบีสโลสลังเนึ่งจำนวนคนเหล่านั้นเนี่ยกลับไปบอกพวกมักกะว่ายังไงยังไงมูฮัมหมัดก็ต้องเข้ามาเพราะว่านูน่นใส่แอร์รอมมาแล้วอยู่ใต้แสงแดดมาไม่รู้ตั้งกี่วันแล้วมีทั้งวัวไม่มีทั้งวัมมงวมีทั้งอูดมีทั้งแกะมีทั้งสัตว์ที่นะอัลฮัดย์มาูฟัน ล, ละตลัอใช้คำว่าวัดดูมานิลมสจิลฮารมวัลฮัดย์มาูฟัน อัลฮดียาก็คือสัตว์ต่างๆที่ทำเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วตั้งใจว่าจะเอามาเลเอามาเชือดที่มักกะทำอมระอเสร็จจะเชือดสัตว์เหล่านี้แล้วสัตว์เหล่านี้ที่เชือดเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปแจกแจกใครแจกคนในมักกะนี่แหละไม่ได้แจกที่ไหนแจกคนมิสกีนแจกคนยากจนในมักกะแล้วพวกเจ้าจะไปห้ามไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาทำอมร้อได้ยังไง ในตัวแทนคนหนึ่งที่ที่ออกมาแล้วก็ไปพูดกับถึงกับขู่เลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าพวกท่านไม่ยอมให้มุฮัมมัดกับบรรดาสฮฮับบะเข้ามาในเมืองมักกะมาทําออมรเนี่ยเขาจะกลับไปยกพักพวกมาแล้วก็ขับไล่พวกมักกะออกไปหมดเลยนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่ไปที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในมักกะเนี่ยส่งข่าวส่งสารไปให้ท่านนบีมุฮัมมัดสล้องสลามบอกว่าถ้าอย่างนั้น ขอตัวแทนคนหนึ่งมามาเจราจากับเราและสุดท้ายท่านอับดุโกส่งอุสมานไปเจราจาใช้เวลาทั้งสามวันผลออกมาเป็นยังไงเหมือนเดิมไม่ให้เข้าไปนะครับนี่คือความหมายนะออที่อัลลอาลาพูดจึงในอายัดนีนะ้ที่พระองค์บอกว่าฮุมุลละดีนักาัฟรุคนที่เป็นกาเฟรยังไงก็เป็นกาเฟรถ้ายังจะดือ้อไปเจราจายังไงส่งคนที่ดีที่สุดไปเจราจา ไ, ไวัดดุคุมอันอิลมัส jid อิลฮารอมยังขัดความวกเจ้าจากมัส j ิตอัลฮารอมด้วยซึ่งไม่ใช่วิสัยที่จะทำอย่างนี้ได้วัลฮัดเดียทั้งๆที่เห็นสัตว์ต่างๆที่พร้อมมาเป็นหลักฐานมะกู้ฟันเห็นไหมถึงว่าอะไรมีเครื่องหมายแล้วมะกู้ฟันเนีย่ยเขาภาษาไทยเขาปแปลว่าอย่างนี้วัลฮัดย นะที่ถูกทำไว้ที่ถูกทำตำหนิไว้แล้วหมายถึงว่าทําเครื่องหมายไว้แล้วปกปติแล้วถ้าเป็นสัตว์ที่จะเอามาทําอมรอกเนี่ยในสมัยอดีตเขาจะทำเหมือนเป็นเอาอะไรมาแขวนไว้ที่คอหรืออะไรพวกนี้เพื่อให้เพื่อให้เป็นเครื่องหมายว่าสัตว์นี้คือสัตว์ตรีไม่ใช่สัตว์ทั่วไปจะไปทําร้ายไม่ได้เห็น ไ, ไหมนี่เข้าขายว่าพวกมุชายกินเนี่ยทำร้ายสัตว์อดีต นะครับความความกลัวที่ว่าตัวเองจะเสียหน้าเนี่ยยอมที่จะทําลายขนบทำเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้หมดเลยเพราะกลัวเสียหน้าอย่างเดียวนะครับลเอร่าอิลอล allah แต่ไม่เป็นไรวลฮะเดียมะกู้ฟันอันยับลัวมาเฮลละนะครับขัดขวางไม่ให้มันไปถึงที่ของมันที่ต้องต้องเชื่อคือต้องมาเฮลละนี่หมายถึงที่ที่คนทําอมร้อนนี่ย ได้แต่ฮัลโหลตฮัลลก็คือทาไปต่ว่าเสร็จไปสเเอเสร็จไปตัดผมเสร็จก็เรียกว่าเป็นการต่ฮัลโลสพอต่ฮัลโหลเสร็จก็ไปเช็ดแหะว่าผดีมากุฟันอันยบลุกมะฮิลละวะโหละ رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ม ن تطأهُم ف ت ص ن ه م ع ر ท่อนนี้เป็นการอธิบายฮิกมะฮิกมะก็คือเหตุผลที่อัลลอฮฺสุบะฮ่าลาไม่ให้ให้เกิดสงครามขึ้นที่อูดายเบียรหรือไม่ให้เกิดการโจมตีพวกมุชริมที่มักกะในปีนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าในมักกะเนี่ยยังมีบางคนที่เป็นมุสลิมอยู่ มีบางคนที่เป็นมุสลินอยู่แต่ไม่สามารถจะปลีกตัวออกจากมักกะได้ไม่สามารถที่จะหนีจากมักกะแล้วก็ไปอยู่ที่มาดินะได้ก็เลยต้องเก็บตัวอยู่ที่อยู่ที่มักกะต่อไปเป็นพวกเบาวไคร่เป็นคนทีออ่ไม่มีความสามารถนะครับที่จะเดินทางไม่มีทุนไม่มีอะไรต่างๆนั้นนะจำใจต้องอยู่ในมักกะต่อไปซึ่งมีอยู่ บางรายงานบอกว่ามีอยู่ประมาณ19คนเป็นผู้ชาย17เจเป็นผู้หญิงสองคนนะครับบางบางบางคนก็ไม่ได้ระบุจำนวนว่าเท่าไหร่แต่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งอัละะลาฮฺซลบอกว่าถ้าไม่มีคนจำนวนนี้อยู่ไม่มีผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายผู้หญิงเหล่านี้อยู่ในมักกะเนี่ยแล้วถ้าเกิดพวกเจ้าไปทำสงครามกับชาวมักกะ แล้วต้องไปทำร้ายคนเหล่านี้ชื่อเสียงของพวกเจ้าก็จะเสียหายฟาตูซีบาคมมาอรระตุนบิไกรรเอลเมหมายความว่าพวกมุสริกีนพวกคนกาเฟรก็จะด่าเราก็จะว่าเราว่าอาน บ, บีมุฮัมมัดสุลัลลไปฆ่าพวกกันเองโดยรู้เท่าไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นในจำนวนฮิกมาที่มไม่เกิดสงคราม ในครั้งนั้นก็คือตรงนี้เพราะอัลาลอฮฺป้องกันไม่ให้บรรดาซาฮบะเนี่ยหรือคนที่ไม่รู้ว่าใครสิบเก้าคนหรือกี่คนที่อยู่ในมักกะที่เป็นมุสมิมเนี่ยจะได้ไม่ต้องโดนลูกหลงจากสงครามแล้วพวกมุชริกินก็จะกล่าวหาว่าท่านนาบีและบรรดาซาฮบะทำร้ายพวกกันเองก็เลยอัลาลอฮฺไม่ให้เกิดสงครามนี่เป็นการอธิบายเหตุผล จะอัลลอฮละขอหดัลลรมยาเพื่อที่อัลลอฮุ س ب ح ا ละจะเอาคนที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าไปในรห حم ัดของพระองค์มะชาอัลลอฮเป็นรั حم ัดก็อัลลอฮฺ س ทั้งสำหรับคนที่อยู่ในมักกะ คนที่เป็นมุ่งมินจานวนชนกลุ่มน้อยนะครับก็ได้รับราะห์มัดจากอัลล์ ب ح ا ن ه และ ت ل ى ไอล่ว ذلك เลเม่คัฟไอดียคุมอันุฟารมักกะ و ل ك سبحانه เขาคัฟไอดียคุมอันหุมลดลาราะีบ سبب ฮาล์ล์ัฟฟีมันเยชาอุมิบา و ع ر أ س เฮาลัยลิบารอัลมือไม่นุนอัลมือไม่นัตอัลลนนฟิมักกะ والذين ا ق ت ض رحمته أن يتمم لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهراني الكفار ويفك أسرهم ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب แสดงว่าการที่อัลลอฮฺสุบัยุต์ลาไม่ก่อให้ไม่ไม่ให้เกิดสงครามในครั้งนั้นเนี่ยเป็นรัมกับคนเหล่านี้แม้ว่าจะมีจานวนน้อยนะครับถ้าสมมติว่า อะไรนละมมต้ย<บ>ลูละก อ, อ, กอัล7 7 7 7 7ม7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ม7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ั7 7 7น7 7 7 7 7 7 7อ7 7ป7 7ล7 7 7 7 7 7 7 7 7 7อย7 7 7อ7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7น7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ไ7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 นายู่ตังหากเลยเนี่ยเล عزابنا الذين ك ف ر و من ม منهم บ ذ ا ب ا ล ل ي م ا ละต่่าบางทีอาจจะกําหนดให้เกิดการประทะกันเป็นสงครามก็ได้แต่เนื่องด้วยความเมตตาของลอสบาห์นาตาละและคนเหล่านี้บรรดาซาบาห์เองก็ไม่รู้ว่าใครตอนนั้ น, นะทั้งสิบเก้าคนยี่สิบคนเนี่ยไม่รู้ว่าใครลอสบาห์นาตาละ ى, ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ของพระองค์ไม่ก่อให้เกิดการประทะกัน ร, ระหว่าง มุสลิม ก, กับบรรดาชาวะบ้ที่มาจากมาดีนนะแต่อย่างใดเอาทำเลยล่ะนะครับเดี๋ยวผมขอนี่ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคําพูดที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรนะคือสภาพเนี่ยเหมือนกับว่าพวกมุชลิมเนี่ยใช้ชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้ศรัทธาเหล่านี้เป็นโลมนุษย์เข้าใจไหมครับเพราะ อาวัต ะ, ะไม่กอ่อไม่ทาให้เกิดสงครามเนื่องจากว่ามีคนเหล่านี้อยู่เหมือนกับว่าพวกู้ชลิกีเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่มีบรรดาผู้ศรัทธาไม่กี่คนอยู่ในมักกะกับพวกเขาด้วยมันก็เลยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับว่าถ้าสมมุติว่าอ่ศัตรูจับผู้บริสุทธิ์มาหรือจับผู้ศรัทธามาเป็น โล่มนุษย์เนี่ยเราต้องทำยังไงสมมติในสงครามเนี่ยลองดูในในของภาษาไทยเองก็มีอธิบายอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมติในกรณีที่ศัตรูใช้ <c oughs> ตัวประกันมาเป็นโล่มนุษย์นะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรแบบไหนอนุญาตให้เราเ อ, อ, อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสังหารตัวประกันไหม หรือว่าไม่ได้หรืออะไรยังไงอันนี้เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องแต่จะดูนะครับว่าในสงครามหรือว่าในซุลโอดีเบียเนี่ยอัลต่าลามไม่ให้ก่อให้เกิดสงครามเพราะนะครับให้ความสําคัญกับจํานวนคนที่อยู่ในมักกะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์สุลตานอัลต่าละซึ่งเป็นราะมันของพระองค์ที่พระองค์ให้กับบ่าวของพระองค์ทัมดุลินแหละนะครับเนี่ย ลิยุดขิล الله في ر ح م يشاء ฟยมุ al, ่น ع ل م ب ا ل ي م ا ن الكفر وبالهدى ع د ل ظ ل ا ل ฟ منعكم من ق ت ا م ل ا سبب อันนี้เป็นอีกคำอธิบายหนึ่งของอัสสัตดีนะพระเจ้าตาเราบอกว่าลิยุดขิ الله في ر ح م ه من ي ا ء เนี่ยเพื่อที่พระองค์จะเอาคนที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าไปในความเมตตาของพระ a งค์หมายถึงพวกมุสลิมีนมะกะ ได้มีอายุต่อไปไม่ตายจากสงครามแล้วหลังจากนั้นคนเหล่านี้จะได้รับอิสลามในการพิชิตมักกะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากสุลต่าได้เบียผ่านไปอีกสองปีปีที่แปดเกิดการพิชิตมักกะ บรรดาคนที่เป็นเคย <c oughs> เคยเป็นหัวโจกไม่ว่าจะเป็นอบูซุฟยานไม่ว่าจะเป็นอิกรีมัสซึ่งตอนที่อยู่ในสุลุลูไดบียะเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกมุชริกนใหญ่โตเลยนะเป็นระดับแนวหน้าของพวกมุชริกนเลยเนี่ยพอปีที่แปดคนเหล่านี้กลับมารับอิสลามกับท่านนาบีสุลตานะฮ์อะลัยฮุสันละอัลลอฮฺเป็นความไม่ตามไหมถ้าเกิดสงครามตอนนั้นบางทีคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้รับอิสลาม แต่ด้วยความเมตตาของล่องสุภานเขาตาลาคนเหล่านี้อยู่ต่อไปผ่านเหตุการณ์ฮูดายะบีไปพอถึงเหตุการณ์พิชิตมักกะได้รับอิสลามกับท่นนานนบีสุลตรออฺนี่คือหนึ่งในจํานวนคําอธิบายความหมายของคําว่าแลอยู่คีละลอฮฺฝีราะห์มะทิฮีมันย์ยะชาเป็นอง ค, ครับเห็นไหมนี่คือบทเรียนที่เราได้รับบางทีบางอย่างนะบรรดาซอบะในเหตุการณ์ฮไดายเบียเนี่ยตอนแรกนี่ตึดอัดมาก ท่านอุมัดเนี่ยไปเจรจากับอบดุลบาคไปเจรจากับท่านนบีสัล ล, ะละัลลอฮุอะลัยซูละละมเองว่าทําไมทําไมเราไม่เข้าไปทําไมเราไม่สู้ทําไมอะไรแต่สุดท้ายคําตอบถูกเฉลยหมดเลยว่าทําไมที่ไม่เกิดการปะทะกันในอุไดเบียแต่ลอสบอกตะละกำหนดให้มีสัญญาระหว่างมุชริกีนกับชาวมาดีนะเกิดเป็นสัญญา และไ ม, ไม่น่าเชื่อนะครับเหตุการณ์หลังจากสุลฮูดัยบิยะที่หนึ่งในจำนวนเหตุการณ์ที่สําคัญก็คือการที่อบดุซุฟยานซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมผ่านเหตุการณ์ฮูดบิยะไปเนี่ยอบดุลซุฟยานเดินทางไปเมืองชามมุสลิมินได้ประโยชน์มากมายจากสนธิสัญญานี้แต่พวกมุสลิมกินเนี่ยประโยชน์อย่างเดียวที่คนเหล่านี้ได้รับก็คือเดินทางไปค้าขายที่เมืองชามโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆอีกต่อไป เหตุการณ์หล to ังจากอูด right ัยเบียอบดุซุฟยานเนี่ยเดินทางไปค้าขายที่เมืองชาและถูกเรียกตัวโดยกษัตริย์เฮโรเกลฮโรเกลกษัตริย์โรมันเรียกตัวอบดุลซุฟยานเข้าไปเพื่อจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนความคิดอบดุลซุฟยานอบดุซุฟยานกลับมาเริ่มมีความคิด มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเรื่องราวของมุ้ัมมัตเนียไ ป, ไปถึงที่โรมันแล้วแล้วกษัตริย์กิรกลเนี่ยถ้าดูเผินๆ เ, เนีนยก็คือเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าอิทธิพลของชาวมุสลิมจะมาถึงนะดินแดนของโรมันสักวันหนึ่งเห็นไหมทั้งหมดนี้รวนแล้วแต่เป็นฮิกมาที่อัลลอฮฺเก็บเอาไว้หลังจากเหตุการณ์ฮูดายเบียผ่านไป นะครับมาชะอัลลอฮ์นี่แหละเราจะต้องมั่นใจในความเมตตาของลัทธิสุภานอตัลลาตอนแรกเราอาจจะรู้สึกอึดอัดอาจจะรู้สึกว่าทาําไมลตทธิลาทดสอบเราขนาดนี้ทำไมลตทธิลาทดสอบเราหนักหน่วงขนาดนี้เหมือนที่บรรดาสาวบ้รู้สึกแต่มันถูกฉเฉลยหลังจากนั้นว่าไม่ราะหมัดของลัทธิสุภานอตัลลากําลังรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าตอนนี้เรากําลังถูกทดสอบรอก่อนอดทนก่อน เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือความเมตตาจากอัลลอฮ์ุบานอออย่างแน่นอนนะครับถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ถ้าเราเป็นคนที่วิงวอนพึ่งพระองค์อย่างหมดวัวจิตวัวใจของเรานะครับในฐานะที่เราเป็นบาวของอัลล์สุบานอัลลอฮ์อัลล์นะครับนจะได้เพียงแค่นี้อัลลอฮว تعالى عالم وفقنا ا ل น ه وإياكم لما يحب